ทำนี้ฟังวนเวียนเรียนศาสนาไม่แน่ว่าเรียนอะไรทำไมหนอเรียนนักธรรมเรียนบาลียังมิพอก็เรียนต่อกรรมฐานการวิปัสสนาเรียนเรียนไปก็ได้แต่ว่าเรียนบ้างก็เปลี่ยน เป็นอาพาธบ้าศาสนามีหลายอย่างบ้าระหัำเกินธรรมดากระทั่งบ้าลาบยศอดนิพพานเรียนศาสนานั้นต้องมีที่ตาหูเมื่อให้เกิดทุกอยู่ทุกสถานเรียนให้รู้ตรงที่จะชักสะพานอย่าให้เกิดอาการ มานรบกวนเรียนตรงๆลงไปที่ตัวทุกข์ดูให้ถูกกรรมวิธีกี่กระสวนสกัดกั้นการปรุงแต่งแห่งกระบวนจิตปัญป่วนสงบได้ทุกข์หายไปท่านพุทธทาสพิกขุ เรามาเรียนรู้ธรรมะจากการฟังฟังเรื่องธรรมะฟังเรื่องเก่าๆเดิมๆเป็นเรื่องเก่านี่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะธรรมะเนี่ยที่จริงไม่เก่าไอ้ที่เก่าอาจจะเป็นคนพูดหรือคนฟังธรรมะนี่เป็นเรื่องใหม่เสมอทันสมัยมีประโยชน์เราต้องฟังกันบ่อยๆย้ำกันบ่อยๆ เราจะได้เข้าใจเข้าใจแล้วต่อไปเราก็จะเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงบางคนบอกว่าโอ้ฟังบ่อยๆก็จาได้แล้วล่ะเอาเธอจาได้บางทีเรายังปฏิบัติไม่ได้นี่สาคัญนะอย่างศีลห้าเนี่ยโอ้เราฟังทุกวันทุกวันเวลาไปวัดพระคุณเจ้าก็จะให้เราสมาทานศีลห้า บางทีเราก็จําได้แต่เรายังปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเรายังมีการฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดในกามยังพูดเท็จยังดื่มสุรานี่แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยตัวศีลห้าเนีได้ก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยยิ่งเรื่องการเจริญสติเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากเลยใกล้ใจเรามากเลยเราจําได้การเจริญสติทําอย่างไรนี่ แต่เรายังทําไม่ได้เราจะต้องฟังกันบ่อยๆเรื่องเก่าๆซ้ๆําๆฟังกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่างน้อยประโยชน์ของการฟังเนี่ยมีเยอะเลยแต่มีอยู่สองข้อที่คิดว่าน่าจะเด่นมากการฟังหนึ่งทําให้เราทบทวนของเก่าฟังบ่อยๆก็การลืมเราทํำท่าจะลืมแล้วฟังอีกครั้งหนึง่งก็จําได้ละ่ะจําได้อันนี้ก็ข้อหนึ่งอีกอันนึ่งก็คือระงับ ความสงสัยไปซะได้บันเทาความสงสัยข้ออ่านข้อธรรมบังคำเนี่ยสงสัยเคยได้ยินบ่อยๆแต่เราจะสงสัยอยู่ว่ามันหมายถึงอะไรโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติการเจริญสติเนี่ยเราสงสัยว่าจะทําอย่างไรทำอย่างนี้ถูกต้องไหมื่อที่เราสงสัยแล้วเรายังหาคําตอบไม่ได้โอ้แต่พอได้ฟังปับ๊บแหมมันโดนใจเรากำลังติดปัญหาตรงนี้พอดีเลยพอได้ฟังเข้าก็ได้คําตอบ บรรเทาการสงสัยแต่ว่ายังเอาชนะความสงสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นการฟังก็ช่วยให้เราเข้าใจบ้างทาให้เราสงสัยน้อยลงแต่ว่าการสงสัยนั้นเอาชนะได้ต้องลงมือปฏิบัติลงมือเจริญสติเลยนี่แนะเราจะรู้เท่าทันความสงสัยแล้วก็ปล่อยวางความสงสัยได้จิตมันก็จะพ้นจากความสงสัยโดยการปฏิบัติโดยการเจริญสตินี่แหละ อย่างวันนี้ถือว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องธรรมะเรื่องเก่าๆ ก, ก็ว่าได้เพราะว่าบางท่านนี่บางทีอาจจะมีความสงสัยอยู่ถามเรื่องการปฏิบัติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวนี่ทำอย่างไรก็ได้คำตอบไปต่อมาก็มาถามถามเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยถามเรื่องเดียวเรื่องเก่าๆสักถามอยู่นั่นแล้วไม่เกับการสักถามนี่จะถามเพื่อให้บรรลุธรรมไปเลย ถ้าการซักถามบ่อยๆทําให้บรรลุธรรมได้นี่คนเราไม่ต้องปฏิบัติหรอกถามได้คําตอบก็บรรลุธรรมก็ไม่ใช่อย่างนั้นถามไปแล้วก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติเอาไปทดลองดูท่านผู้นี้ท่า น, นก็ถามนะและ้วท่านก็จะเอาไปปฏิบัติตัวยังไงถามเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุธรรมแด้ก็หายไปสักระยะหนึ่งท่านก็กลับมาท่านมาคราวนี้นี่ท่านไม่ถามเลยนะ โอ้ท่านเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวเข้าใจเรื่องการเจริญสติถ้านก็บอกบอกว่าโอเข้าใจแล้วเห็นแล้วปฏิบัติได้แล้วเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยจะไม่สงสัยอีกแล้วโอ้ก็นึกอนุมโมทนาอยู่ในใจนะที่เขามีการพัฒนาถึงขนาดนี้พอเขาได้เอาไปปฏิบัติแต่สักครู่หนึ่งเขาก็ถามว่าเออาจารย์ครับที่ถ้าเราไม่สงสัยอะไรเลยเนี่ยเราผิดปกติหรือเปล่า เราปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าเราไม่สงสัยอะไรเลยแตสุดท้ายก็ยังมีความสงสัยอีกเรื่องความสงสัยเรื่องคําถามเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ถามเพื่อความเข้าใจแล้วก็ไปลองฝึกดูแต่มีคําถามคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมาถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องวิปัสสนาเนี่ยคำถามเนี่ยก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆคือถามว่าเขาทํำวิปัสสนาธรรมานานแล้ว แต่ว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้าเลยนะไม่ทราบว่าก็ทําถูกต้องหรือไม่คําตอบนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าพอเริ่มต้นคุณศิรินาฏอ่านบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเพราะว่านี่คือคําตอบเราได้ฟังเพียงแค่นี้ผมว่าคุ้มค่ากับการฟังแล้วไม่ต้องรอคําตอบจากผมนี่ก็ได้เพราะว่าบทนำเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นทั้งคําถามและคําตอบ สำเร็จเส็สิ้นอยู่ในตัวเลยก็จะทบทวนอีกครั้งหนึ่งท่านบุญั้นก็ถามว่าเขาทําพิปสนามานานแล้วทำไมจึงไม่พัฒนาทำไมจึงไม่ก้าวหน้าและสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมคือท่านบอกว่าท่านปฏิบัติแบบไม่มีรูปแบบคือเลียนแค่มีสติรู้เท่าทันเวลามีรูปมากระทบทางตาก็รู้มีเสียงมากระทบที่หูก็รู้ มีกลิ่นมากระทบที่จมูกก็รู้มีความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายก็รู้มีรสมากระทบที่ลิ้นก็รู้เวลาจิตมันคิดมันนึกความคิดมากระทบจิตใจก็รู้เท่าทันอาการเหล่านี้เขาทาเพียงแค่เนี้ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็คอยมีสติตามรู้ตามรู้ไปเขาทาเพียงแค่เนี้ยเขาทาถูกต้องไหมเรื่องการทาวิปัสสนาอันที่จริงเนี่ย มองรูปแบบการปฏิบัติแบบนี้แล้วเนี่ยก็ถูกต้องคือมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ถูกต้องแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราเระลึกรู้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อันนี้สําคัญมากนะไม่มีรูปแบบแต่มีวิธีการปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยแต่ว่าเราระลึกรู้ถูกต้องไหมวิปัสสนาคือดูแล้วก็เห็นนี่เพราะว่าการ ทาวิปัสนาเนี่ยถือว่าเป็นทางเอกนะเป็นทางสายเดียวที่จะนําพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็คือวิปัสนาเนี่ยคำถามต่างๆจะมีมากแต่ถ้าเราทำวิปัสนาอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะไม่มีคําถามจะมีแต่คําตอบมีแต่คำเฉลยที่ก็ว่าอ๋ออืมถึงบางอ้ออยู่ในตัวเพราะฉะนั้นการทำวิปัสนาเนี่ยคือการรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบเราแต่ว่า เราจะรู้อย่างไรที่ว่ารู้อย่างถูกต้องก็เลยถามไปว่าเวลาที่เราเริึกรู้เนี่ยเราเห็นไหมว่ามันมีการรู้แล้วก็มีสิ่งที่ถูกรู้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้สิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถูกรู้เห็นมันแยกๆ ก, กันไหมระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ย ถ้ามีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ที่มันแยกกันอยู่แล้วก็ถือว่าทําถูกต้องแล้วในขณะปัจจุบันด้วยนะต้องเป็นปัจจุบันนะต้องเป็นรูปเป็นนามนะพอถึงบอกรูปนามนี่เขาก็คิดนะผู้ถามก็คิดเขาเห็นรูปเป็นนามหรือเปล่ามันแยกรูปแยกนามได้หรือเปล่าลองได้มีความคิดและเตรียมจะมาตอบแบบเนี้แสดงว่ายังไม่เห็นหรอกยังจะคิดถ้เห็นรูปนามไม่ได้ก็ยังไม่ใช่สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่า อ๋อนึกได้แล้วเขาสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วแยกรูปแยกนามได้นี่มันจะย้องแยกได้ตลอดไปนะไม่จะแยกเฉพาะปฏิบัติแล้วก็ลืมไปอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามต้องรู้รู้ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเวลาเขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้รูปรู้รรนามแต่พอมาผ่านสุนัขเขาพูดถึงหมาบอกเขาเจอหมาเนี่ยเขากลัวหมามากกลัวจับจิตจับใจเลย แค่มันเห่าก็กลัวแล้วรวม่าหาทีกตอนที่กลัวหมานี่ยมันมีรูปมีนามไหมบอกไม่มีมันเข้าอยู่ในความกลัวหมดเลยไม่เห็นว่าไอ้ความกลัวเนี่ยมันเป็นนามก็ไม่ได้เห็นตรงนั้นอ๋อเลยเข้าใจเลย ว, ว่าอ๋อก็แยกรูปแยกนามไม่ได้หรอกเพราะเขายังกลัวหมายังจับอกจับใจอยู่เขาเลยเข้าใจเลยอ๋อรูปนามเนี่ยมันต้องเห็นแล้วก็ประจักษ์เฉพาะหน้าในอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นว่า ความกลัวมันคือน้ำจิต ท, ที่เป็นรู้นี่มันเป็นน้ำกายที่มันเคลื่อนไหวไปมานะั่นเป็นรูปแยกไม่ได้ใช่ไหมที่จริงก็น่าขอบคุณหมามันนะหมามันก็ช่วยสอบอารมณ์ได้เหมือนกันถ้าไม่มีหมาเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าเขาแยกรูปอย่างน้ำได้หรือเปล่าเกิดความกลัวขึ้นแล้วก็ไม่ได้มองเห็นเป็นรูปเป็นน้ำเห็นเป็นตัวเราเป็นผู้กลัวไปเลยก็ยังไม่ใช่วิปัสสนายังเลือกรู้ยังไม่ถูกต้องเพราะนั้นยติธรรมนี่ ถ้าอยากจะทดสอบว่าเราเห็นรูปเป็นนามหรือไม่เราจะมีความกลัวหรือเปล่าเนี่ยมาที่ชมลมมาให้หมาสอบอารมณ์ด้วยบ้างบทีเราอาจจะเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดเราก็ได้ว่าเรากลัวมากน้อยขนาดไหนก็เลยพูดกับเขาแปว่าเราเจริญนิพพานะดีแล้วทําเหตุที่ถูกต้องอย่าไปมุ่งถึงผลว่าผลจะได้อะไรจากการปฏิบัติถ้าไปมุ่งในผลแล้วเราก็มันจะเป็นตันหานะ จิตจะฟุ้งซ่านจะมีแต่ความสงสัยมันจะไม่ปกติเราเพียงทำเหตุที่ถูกต้องคือระลึลกรู้ยถูกต้องเสียก่อนทําความรู้สึกตัวให้ถูกต้องเสียก่อนพอทําถูกต้องแล้วเนี่ยผลก็จะถูกต้องไปเองอย่าไปกังวลเรื่องผลสร้างเหตุมากๆเหตุของการระลึลกลุ้นี่ทำอย่างไรถูกต้องทำอย่างไง mm hmm. ก็คือเพียงแค่มีสติรู้เฉยๆเวลามีอารมณ์มากระทบ ให้เป็นแค่รู้เฉยๆไม่ต้องปรุงแต่งอะไรรู้แบบธรรมชาติธรรมดาสักแต่ ว, ว่ารู้ไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปบังคับสักแต่ ว, ว่ารู้แบบไม่ต้องการอะไรรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านไม่ต้องการอะไรจิตจะเป็นกลางให้รู้แบบเป็นกลางๆทำจิตที่เป็นปกติสบายๆรู้แบบผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดรู้แค่ไหนก็แค่นั้นเรารู้ได้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็รู้ว่าเราไม่รู้เพียงแค่เราเึกรู้ให้ถูกต้องท่านั้นนะเป็นการสร้างเหตุเมื่อเหตุ ด, ดีผลมันก็ดีเพราะนั้นวิปัสสนาเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในแนวทางการปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานเลยเพราะนั้นเราต้องทำให้ถูกต้องทำให้เป็นเมื่อทำเป็นแล้วนี่เราก็จะชนานาญนะชนานาญที่จะไปเจริญสติไปทำวิปัสสนาที่ไหนก็ได้รู้ที่ไหนก็ได้ แ, แล้วเราก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปนามด้วยเป็นหลักในการเจริญที่ศาสนาเลยแล้วก็ดูรูปดูนามต่อไปดูที่จิตเป็นปกติดูที่ใจเป็นปกติแบบผ่อนคลายเป็นกลางกลแม้จะมีอารมณ์กลัวเกิดขึ้นแล้วก็จะเอาชนะความกลัวได้เพราะความกลัวเป็นเพียงแค่นามธรรมเท่านั้นสามารถเห็นความไม่เที่ยงของความกลัวความที่บังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นมันแค่รู้เฉยๆ มันก็จะผ่านจากความกลัวไปได้เพราะฉะนั้นการสร้างเหตุนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติควรจะทาอาจจะโดนจิตโดนใจใกลบ้างก็ได้คนที่ติดอารมณ์ตรงนี้อาจจะเข้าใจเนี่ยคือเรื่องเก่าๆธรรมะเป็นเรื่องเก่าๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสาหรับเราทุกคนก็ฟังเอาไว้รู้เอาไว้ดังที่สุภาษิตเขากล่าวไว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหาม